อะไรที่ผิดแปกแตกต่างกันอวรอยวะของเราที่วอเป็นผู้ชายจะเหมือนกันกับอวรอยวะของเขาที่เป็นผู้หญิงไม่มีสิ่งใดที่ผิดแปกกันตัหนังอันเดียวกันหรืออันเดียวกันแต่เราพอใจตามสมมติ โ, โลกโดยไม่รู้ที่เจนานาธรรมะยังไปลืมเหลืองติดขอ้อกัมนันต์เถื่น ขกางที่เจรณาธรรมเป็นเป็นเรื่องแก่ไขราคาตัญหาที่เจรณาลึกเข้าไปไร่ใจรูอเห็นตามเป็นจริงยอมจำนนทำความท่องวิทย์เจ้าเป็นของจริงอย่างนี้ว้ามาชำระสักซอกจิตใจที่เลื่หนโยงให้หายออกไปได้เห็นแทนที่จะดูเพียงภายนอก ในแต่ละอย่างนั้นจะต้องเลนหนังเข้าไปดูเนื้อเอ็นกระดูกตาไปใส่คุณต่างๆสู่เป็นของในสวยในงามเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาใีเชื่อจิตมจธรรมะภายในถ้าในดูเชิงผิวเผินภายนอกของนั้นจะ้องดูเข้าไปภายในมันเสวยที่ไหนมันงามทู่ไหนอะไรไหลออกมา จากตากจากเจื้อผูจากพรางหนักพรงเบามรือตามเมื่อตามตัวมีอะไรสวยงามมีคุณค่าราคาพอขายได้มีแต่ผ่องเงาผองเหม็นแต่ไปถ่ายไปบ้างเลยเรียงกองเขาก็แต่งตากแต่งไหมข้าวเห็ดใดชอบเป็นเขาโปกๆมันนู้ดเราเป็นอย่างนั้นเมือคือเราลิ้นเราหง่ามันหน้าแดงมันเสวยมันงาม ถ้าต e ัดแขนตัดขาตัดคอเลือดได้เป็นมากมากเอาไปเทไปที่นั่งที่นอนของเขาที่ที่นั่งที่นอนของเราจะดีเราเต็มใจไหมถ้าหากมันเสืองานเต็นใจดอกไม้ผีเสื้อผีงามเราไปตัดกระดาษชาแลวชอบดมถ้ามนมีกลิ่นหอมอันนี้ในเมฆเป็นใจพอใจถ้าสร้างสก เมื่อนโยงดูนเหมือนกันเพราะมันมีพิจารณาภายในใจจึงเลื่อนโยงอย่างนั้นให้พิจารณาหาทางชำระจิตใจอย่าปล่อยไปตามเรื่งราคากัญหาทุกคนเบียดมาเจาฝึกฝึกฝนอบรมต็มทกตนจะจกไขใจผู้ผิดข้อไม่ใช่หบีดมาเลื่อนเบียดมา o povo มีธรรมมีเมตตารุนารมีธรรมะในตัวเหตุนั้นคือมีธรรมะก็อยู่ในสถานขึ่ใดจึงไม่เป็นเดินเป็ น, เ น, เ น, เนไยัย เราตัดขาดบางสิ ตัเองตัวตันหนูตัวก้องตัววันนี้ชั่อวันนี้เสียคิตเป็นเส้่อมแลในนี้อาจมีทำในใจเลยหรือว้าคิดถึงขอรัดปฏิบัติอะไรก็ไม่ได้ทาคิดถึงการพากรณสมากิเหล็กก็ไม่ได้คิดถึงราร ข้าอาศัยปัญญาพิจิตรเจนาสคนมีทันติ มันไม่ไม่ได้เลือกเหมือนกันกับใจเมื่อมันต่อเติมขึ้นเป็นที่ของมันลุกเป็นที่ของมันไม่ได้เลือกดอบไม้นั้นแห้งรึเดมันจะต้องไหกั เป็นอาณาจารย์ไม่ตั้งมม่เป็นอาณาารย์บางท่านบัญชาไม่ได้แล้วคนอื่นจับอื่นมันไปมีอนาจรัสนามาจากไหนมันเหมือนกันหมดแต่ที่เวนะดูคนนั้นในควาใจชัดเพนยังเลี้งไหลเสือเพลินติดข้อน่ะมันเสือมันงาแต่พี่เจนะดูผ่าดูแหนะพวกนัน ว่ามันเป็นอย่างไรถ้ายังไม่แจ่ใสที่ใจนายุดใหญ่เข้ามามันมันเป็นอย่างไรที่ใจนาถึงเียดทิ้งผจิตใจจะยามจำนเชื่อมั่นว่าทุกคนเกิดมาจะต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นหนเป็นสาวกันเชื่อระยะเวลา เาแถบเดียวกันนี่คือการพเจาราขาดขันภายในจิตจิตข้องซึ่งจึงขาดุเจารณาภายในแต่ถ้านเดียวกันใจของเราไม่ใช่ว่ามันจะเพีงเส้นเพียงยาวจะมีอยู่ทุกการทกเวลาจะเสียไปทุกยันทุกสมัย รความสงบร้างนักเรื่อเห็นตามเป็นจริงทอดถอนพิษห การคปนพืนที่ใจใจมันมีอยู่เป็นแสงมันไม่แสงมาสู่ก่อกวาพเหนือหมอกติดบังนีสิติปัญญา ก็จะไีไฮอันตรายนน้องเนนี้เป็นปกติเพราะมองเห็นหัวใจะเป็นเราคือเมื่อบอกไม่มีติปัญญาไม่ีธรรมะก็ทำหนเดียวกันไปสถานที่ใดนี่จะเรียนแบบใครเพราะใเมื่อบอกไม่รู้จักที่จะเลิกูี ในได้นักได้ผลนักบวชต้พงพิจารณาในรักความใจงดใจงดในรักความหยัดเย็นใครเล่าเขาจะมีโอกาสเวลาทำจิตทำใจขวงเขาให้รู้ให้เข้าใจให้เห็นให้เป็นในอาจในทำได้เพราะเขาไม่ม <em Sw> <espace> ีโอกาสเวลามากมายเหมือนนักบวชหยดกลงานยย่งเหย็งอยู่ตลอดเวลา เวลาคนมึนเวยาคนแจเว่าคู่เท่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นโลกอันนี้มมนมีอะไรที่แปไหม่เหมือนกันแป่กใหมแต่อะไรมาพระพุทธเจ้ายังไม่อิบัแต่ริใโลกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ตัดสิริไปแล้วเหมือนกันตอนนี้ม่ทังไปแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้มีอะไรที่แปลก แตกต่างไม่มีถ้าพิจารณาถึงธรมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมในแบบวสียงน์ว่ากลิ่นแะไ ต่ไปคิดว่าปา็นอาชีพของา กับนาะ ไม่ได้ทำงานอะไรหนักหนาลมบากยากเย็นอย่ า, ยยานั้นเพียงตแต่จะได้สงบภาวนาเป็นนะที่ปลอดภัยในเรื่องในเงาเรยา ย, ย, า ย, ยงังขยันขยันเรายังในใจใจพอใจทำแล้วไปทาสิ่งนั้นมันทรายปิเลตปัญหาได้ไหมมันใจใจพอใจแล้วเมื่อเจ็บสลายปิเลตปัญหา ทำไมนั่นอ้างว่าเมดเหนื่อยทำไมนั่นอ้างว่าร้อนบ้านเหนาเขาไม่มีใยหรือไม่มีใจหรือเขาทึ่มทาได้หาอุบายต่างๆมาสอนตัวเดี๋ยวเรามีอุบายมีปัญญาสอนตัวความเขียวต่างๆที่เคยขัดข้องในจิตในใจที่เคยปืนจะหมุนเราไปสู่อารมณ์ปัญญาต่างๆ มันจะตกไปหดไปต่างใจบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อคุณคึกนักหดเท่านั้นเป็นผู้มีโอากาสเป็นผู้มีโชคดีที่จะมีชีขขวิตเพืดด่อหนาสำราญชีวิตส่วนคารวะเดินยากหนดดักยากหนาพค่โอกาสเวลาไหนอำนวยให้เราทุกคน จึงเป็นผู้โชคดีอย่าไปหลงไหลไปตามคนอื่นยอย่าไปเป็นคนโงน่ไม่มีแต่ติดปัญญา แต่สำลักสารเอาชีวิตเป็นเดิมทนถามันเด็ดส้นไปจากที่เด็ดปัญหาก็ปกของแ้มันตายในสงคามคือการทำความเพียรการสำลักใจการแก่ไขชั่วถ้าหากมันจะพ้นประโยชน์ไปได้ก็ขอให้มันหยาดมันส้นไปเสียเพราะการเลี้ยงได้ตายเกิดมันลาบากยากเย็นชานุ้เป็นย่างไร อดีตชาติที่ผานมาเป็นี้นกันอนาคตที่จะตาปจะเกิดต่อไปเป็นเ้ม้นกันไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาว่ามันจะมีความสุขความสะดวกสบายแต่ชาระมันได้หมดพุกหมดชาติมันสะดวกสบายเวลาเติมหลตายมันควรเส่งจังหวะจิตใจไม่อะไรที่จะมาเยืยวยุให้ลุ่มหลงเพลิดเพลนไปอีก จะถูกเจ็บเสียงเขากเสียงเขาได้กระงหึ่มายในใจทังตนจะประโยชน์อะไรที่จะไปถูกไเสียงไปเสียเวลาสหรับคนยิ้มหน้าตาเมื่อบอกให้มันดูมันได้ยินมันก็เียมีหรือมันมีตที่จะตังออกจะมีเห็น มพราะนั้นผมจึอยู่อย่างสะดวกสบายทางกายทางใจทั้งท่าน ท, ทุกคนเมื่อย่างอยากจะมีความสุขความสบายอย่างนั้นอย่าไปมองข้ามเป็นของตนเป็นสิ่งอาภัพอาวุเสมะตั้งหน้าตั้งตาที่จะเรามาตั้งหน้าตั้งตาทำความเพียงยุดใจติเตลระเหยเอะเหลาต่างๆอย่าเหวี่ยงตั้สง จุดใจหยุดใจงใส่ภักดีจะปล่อยวางความจงใส่จะหายจากความยึดมันติดข้นสัมดาเรต่างๆเพรใจรูเห็นเป็นจริงในตัวธรรมะของรู้ใจเจ้าทุกคนเมื่อเห็นเมื่อรู้จึงมีทางจงใส่ทุกคนจะชมเชย สังเวยหนพระพุทธเจ้ า, าอสาวว่าสลาลอโลลืมหลงติอกับอะไรเาเห็นอยู่ในตัวของตัวใจของตัวารอย่างไรพระพุทธเจ้ า, าอสาวิดมา่ัมาเป็นอย่างเดียวกันรวเอด เลืกแต่เปันบงเรื่ออน า, าคนตเมือเป็นความบริสุทธิ์จะเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะแย่งใส่พยยามทีน่นผู้ใจในพยายามติาพยามาเพียรหน้าขีดของปีศาจมาเมนนหน้าีดของน้ำเดือดจะไปคิดจริงสิงนี้นนสิ่ง น, นี้จะเป็นของมืคุ้นค่ ป่าธรรมนะติดใจทั้งร่าทัา้งสตายใจทั้งตนถ้าเป็ น, น อ, นนอนนนะนื่นๆเป็นคนดีนิเศสปาธระคนนั้นแหละเป็นคนที่จะไม่มีสารในตัวเป็นคนที่จะตกนตรกถ้าเป็นหาความเย็นสงบไม่ได้พยายามคิดพิจารณาพยายามศึกษาพยายาม ดูจิตใจของตนอย่าไปดูสิ <term. S 2> <ín> ่งอื่นเพระสิ่งอื่นมันไม่ให้สุขให้ทุกข์นอกจากจิตจากใจเท่านั้นี่สุขี่ทุกขบ้างเนาไายในจังจปัะไปออกไปสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นไข่เชื่อมหวลึยงเกอดเพินม่ต้องใช้ หายวกเพื่อไปติดแบบปฏิบัติตายาใจทำอย่างนี้ใจต้งผ่านจิตบริสุิ์เราจะอาพัพอาญาาสนาเป็นโมฆะสาหรับเราคนเดียวไม่มีอเรานำมาพุท่เจาธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเป็นความยยึค่าจะเป็นเกี่ยวกันละปักตอบอ จ, จิตใจ นะแล้วเกี่ยวข้องกับเตียงแต่อยาจะได้ความสุขความสบายอยากจะได้ความพ่จากที่เล็จากเศรษฐีมุดที่สุดของธรอยากไปคิดไปหวังพยายามขัดเคียนพยายามอดทนพยายามจิตฝเปล่นจิตใจ เหนือเรีใส่ทุกคนตั้งใจที่จะมาตั้งใจทั้ง่าสางจิตใจติด i จตุ่ิดใ่หนต่างๆจะหาจากความต่เ้าสงหาจากาใจมองเกิดแผงใสหาจากความติดข้องของใจมีความตุอยู่ภายใน ตลอดกาลธรรมขอมงมิจฉาจารย <c oughs> ์เป็นของแต่เจษยุ่ยเศษอย่างนั้นเ้นขอทุกท่านะเงนัไปที่นิจนาศึกษาและต่างหน้าต่างตาหากเปียนภูมิยาจริงเราหนึอยอย่งหลังแต่จะเป็นสมบัติของเรามหนือสางตามพิดาวธรรมเพทุกท่า น, า น, น, นยังมีความสุขความเจริญตามพิานธรรม นี่แหละคงินสีล้านสลาน